3. สัญจริตะสมุทฐานสองสัญจริตะสิกขาบทว่าด้วยการชักเสือกุติการะสิกขาบทว่าด้วยการก่อสร้างกุดีวิหาระการะสิกขาบทว่าด้วยการสร้างวิหารโทวนาสิกขาบท ว่าด้วยการให้ซักจีวรเก่าปฏิฆะสิกขาบทว่าด้วยการรับจีวรวินยัติสิกขาบทว่าด้วยการออกปากขอคฤหัตผู้ไม่ใช่ยากตะตุตริสิกขาบทว่าด้วยการออกปากขอจีวรเกินอุพินณะสิกขาบท ว่าด้วยคนระเรียมทรัพเป็นค่าจีวรสองสิกขาบททูตกะสิกขาบทว่าด้วยทรัพเป็นฆาจีวรที่พระราชาเป็นต้นให้ทูตนำมาถวายโกศยะสิกขาบทว่าด้วยการทำสันทัดผสมใยไหมสุทธการกะสิกขาบท ว่าด้วยการทำสันถัดโดยใช้ขนเจียมดำล้วนทเวภาคะสิกขาบทว่าด้วยการทำสันถัดโดยใช้ขนเจียมดำสองส่วนฉับพัสสะสิกขาบทว่าด้วยการเก็บสันถัดไว้หกปีนิสีธนะสันทตะสิกขาบท ว่าด้วยการทำสันถัดสำหรับรองนั่งรินจันติสิกขาบทว่าด้วยการละเลยอุทเทศรูปิยะสิกขาบทว่าด้วยการรับรูปิยะนานับปการกะศิกขาบทว่าด้วยการแลกเปลี่ยนกันด้วยรูปิยะและการซื้อขายมีประการต่าง อุณพันธนะสิกขาบทว่าด้วยบาทมีรอยซ่อมหย่อนกว่าห้าแห่งวัสิกะสาติกะสิกขาบทว่าด้วยผ้าอาบน้ำฝนสุตตะสิกขาบทว่าด้วยการออกปากขอได้วิกัปปะนะสิกขาบทว่าด้วยการกำหนดชนิดจีวร ทวารศิขาบทว่าด้วยการติดตั้งบานประตูใกล้วงกบประตูทานะศิกขาบทว่าด้วยการถวายจีวรสิพินีสิกขาบทว่าด้วยการเย็บจีวรให้ภิกษุณีปูวศิกขาบทว่าด้วยทายกนำขนมมาประวารณา ปัจจะศิขขาบทว่าด้วยการยินดีการประวารณาด้วยปั จ, จัจโชติกะศิขขาบทว่าด้วยการก่อไฟผิงรัตนศิขขาบทว่าด้วยการเก็บรัตนที่เจ้าของลืมไว้สูจิคารศิกขาบทว่าด้วยการทำกล่องเข็มด้วยกระดูกเป็นต้น มันจะปีถะสิกขาบทว่าด้วยการทำเตียงและตังตูโลนทะสิกขาบทว่าด้วยการทำเตียงตังหุ่มนุ่นนิสีธนะสิกขาบทว่าด้วยการทำผ้ารองนั่งกันดุปฏิจฉาธิสิกขาบทว่าด้วยการทำผ้าปิดฝี วั ส, สิกะสาติกาสิกขาบทว่าด้วยการทำผ้าอาบน้ำฝนสุขตะสิกขาบทว่าด้วยท่านพระนันทะทำจีวรมีขนาดเท่าสุคตจีวรวินยติสิกขาบทว่าด้วยการออกปากขอของอย่างหนึ่งแล้วออกปากขอของอย่างอื่น อัญญเจตาปณะสิกขาบทว่าด้วยการสั่งให้ซื้อของอย่างอื่นสังทิกะสิกขาบทว่าด้วยของที่เขาบริจาคแก่สงฆ์สองสิกขาบทมหาชานิกะสิกขาบทว่าด้วยของที่เขาบริจาคแก่ภิกษุณีจำนวนมากสองสิกขาบท ปุกขลิกะสิกขาบทว่าด้วยของที่เขาบริจาคแก่บุคคลครุสิกขาบทว่าด้วยการขอผ้าห่มหนาและหูกะสิกขาบทว่าด้วยการขอผ้าห่มบางวิคาสสิกขาบทว่าด้วยการทิ้งของเป็นเดนสองสิกขาบท อุทกะสาติกะสิกขาบทว่าด้วยการใช้ผ้าอาบน้ำไม่ได้ขนาดสมณะจีวรสิกขาบทว่าด้วยการให้สมณะจีวรแก่ผู้ไม่ใช่ภิกษุณีธรรมคือสิกขาบทเหล่านี้รวมห้าสิบิกขาบทเกิดด้วยหกสมุธฐานคือเกิดทางกายไม่ใช่เกิดทางวาจา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 มีหกสมุดฐานเช่นกับสัญจริตะสิกขาบทสัญจริตะสมุดฐานจบ